สมัยก่อนตอนพระพุทธเจ้าประกาศพระาศาสนาใหม่ๆมีคนพูดว่า <c oughs> สำนักนนดีสำนักนั่นดีสุดท้ายเจ้าสำนักทั้งหลายก็มาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าหมดนะวิธีการปฏิบัติต่างๆในปัจจุบันนี้ของเราเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ า, วาไม่ใช่เรื่องแปลก มันเคยเกิดสมัยพระเจ้าทั้งนั้นน่ะแต่ผู้เที่ยวชานในการปฏิบัตินั้นๆมาหยุดอยู่ที่พระพุทธเจ้าหมดมพระเจ้าเล่าให้ฟังว่าท่านบำเพ็ญบา ร, รมีอยู่ตั้งแต่เป็นอนิจตะโพธิสัตว์ท่านก็อาศัยลมหายใจพอมาเป็นพระโพธิสัตว์ ได้รับการพยากรณ์จากพระที่พังกรพุทธเจ้าแล้วท่านก็ใช้ลมหายใจเป็นกําลังแล้วก็ทุกภพทุกชาติที่ได้บาเพ็ญบารมีก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการบาเพ็ญบารมีพอมาชาติสุดท้ายตอนตัตตารุไปฝึกฝนวิ ช, ชาต่างๆแล้วในที่สุดเวลาจะตัตตารุก็ใช้ลมหายใจนั่นแหละ เพื่อการ ต, ตรัตตุลุเพราะฉะนั้นที่ตมาจึงบอกกับพวกท่านทั้งหลายว่าลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าลมหายใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติของกายชีวิตประกอบขึ้นด้วยรูปนามนามนั้นอาศัยกายจงจําไว้นะแล้วการภาวนา ที่จะเราต้องเข้าไปฝึกฝนให้จิตให้ตัวรู้ของเราเนี่ยรู้อะไรก่อนมันจะต้องรู้กายก่อนเพราะกายเป็นส่วนหยาบสำหรับที่จะรู้ได้รู้นั้นต้องกระจ่างกระจ่างเสมือนอย่างนี้อ่าเหมือนนี้กายและเราก็ต้องเปิดตัวรู้ของเราให้เห็นกายเป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อใดที่กายเรายังเป็นอยู่อย่างนี้ รู้ยังคลุมเครืออยู่รู้ยังไม่กระจ่างรู้ยังเที่ยวหลบหลบซ่อนๆ อ, อยู่ยังไม่เรียกว่ารู้รู้จะต้องเปิดออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมตินี้เป็นกายรู้กายก็คือต้องรู้ตัวนี้ให้เห็นชัดๆรู้ที่กระจ่างไปอย่างนี้ตั้งแต่กายตั้งแต่เวทนาจิตหรือสภาพธรรมในที่สุดแม้แต่พระนิพพานพระนิพพาน mm hmm. ก็ต้องรู้อย่างนี้นะไม่ใช่รู้อย่างนี้ ต้องรู้อย่างนี้รู้แล้วเปิอดออกมาอย่างนี้ให้พวกเราสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่าน ต, ตารัตรู้เวลาท่านปรินิพานมันเหมือนกันด้วยจิตจิตที่ ต, ตรัตรู้ก็ตรัตรู้นี่หมายว่ารู้แจ้งเห็นจริงในจิตที่เป็นปกติไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริง ในจิตที่หลับตาหมกมุ่นครุ่นคิดและรู้นะรู้ด้วยจิตที่เป็นปกติแล้วเวลาท่านสอนเราใช้จิตปกติของเราเนี่ยฟังคําคที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราเข้าใจในสภาพใจของเราที่เป็นปกติอา้าททำไมเราถึงเข้าใจได้ในใจที่เราเป็นปกติความเหตุความผลควาธรรมนัสสีการพิจารณาแล้วอึง้งเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าใช่ แล้วมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาความรู้ที่เกิดนั้นเกิดในใจที่เป็นอะไรก็ใจที่เป็นปกติแต่ทำไมพอเราเข้าใจด้วยใจที่เป็นปกติแล้วเราละอกุศลไม่เด็ดขาดเราละสังโยชน์ไม่ได้เด็ดขาดเราไม่บรรลุเสียทีทั้งๆที่เรารู้และเข้าใจเราขาดอะไรรู้ไหมกำลังของสมาธิไม่พ อ, อเข้าใจยังเออเรารู้ด้วยใจที่เป็นปกติ ที่เราเข้าใจที่ท่านทั้งหลายเข้าใจอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะถูกหมดแล้วแต่มันละสังโยชน์ไม่ได้มันทำ อ, อำนาจของสติไอเป็นมหาสติไม่ได้มันเห็นกายเห็นจริงแต่การเห็นนั้นมันมีกำลังไม่พอไอตัวที่มันไม่พอคือตัวอะไรตัวสมาธิงั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสมาติพิกเวพาเวทะภิกษุทั้งหลาย เธอจงทำสมาธิกันเถอะเพราะเรื่องความรู้มันรู้แล้วเราอ่านพระไตรปิฎกเราก็รู้แล้วฟังพระเทศเราก็รู้แล้วความรู้ปัญหาได้ไม่ยากมันรู้แล้วแต่กำลังที่จะเห็นนะ่ะมันไม่พอถ้าสมาธิเพียงพอเห็นแล้วมันเด็ดขาดมันละสังโยกได้มันเพราะฉะนั้นถามว่า ไอ้ตอนนั้นน่ะตอนที่เรามีกำลังของสมาธิและเรารู้เห็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับที่ใจเราปกติเข้าใจนั่นแหละแต่ว่าความเข้าใจอนันั้น่ะมันกระจ่างแจ้งกระจ่างแจ้งจนถึงขั้นรู้ไปว่าอากุศลทั้งหลายเด็ดขาดแล้วจิตมีฮิริโอตปะสมบูรณ์แล้วอะไรที่เป็นอกุศลจิตจะไม่เสพไม่ซ่องไม่ยินดีเด็ดขาดแล้ว มันรู้ลงไปตรงนั้นด้วยไอายการที่จะรู้มีกําลังขึ้นมาให้ได้ขนาดนี้ต้องอาศัยสมาธิอารย์พระเจ้าถึงบอกว่าสมาธิงพิกเวภาเวทะพระมาถึงบอกว่าที่พวกท่านทํากันอยู่อ่ะไม่ว่าสายไหนสายไหนอะไม่มีอะไรผิดหรอกแค่มันบ่มสมาธิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันหลงไปมั่งผิดไปมั่งหลงไปมั่งผิดไปมั่งแต่ว่าบ่มสมาธิไปเรื่อยๆวันใดในอดีต ตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบุรุษเข้าป่าไม่รู้จะทําอะไรก็ทําสมาธิไปเรื่อยๆนั่งดูลมหายใจนั่งดูอากาศนั่งดูดวงอาทิตย์นั่งดูน้ํำนั่งดูใบไม้นั่งดูสีเขียวนั่งดูสีเหลืองนั่งดูแสงสว่างดูไปเรื่อยๆดูให้มันเป็นอารมณ์เดียวไปเรื่อยแม้มีสิ่งภายนอกมาเป็นอารมณ์ก็ดูไปเรื่อยๆบ่มเป็นสมาธิไปเรื่อย วันหนึ่งไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะตั้งใต้ต้นไม้อยู่ลมมันกระโชกลมกระโชกใบไม้มันร่วงลงมาป๊อกป๊๊ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปตาที่ดูใบไม้ที่มันร่วงหล่นนะแล้วมันก็เห็นไปว่าใบไม้นี่แต่เดิมมันเป็นใบอ่อนแล้วก็เป็นใบแก่แล้วขั่วก็เหลืองเหลืองเสร็จแล้วก็หลุดออกจากขั่วร่วงลงมาสู่ดินแล้วก็น้อมสิ่งที่ตนเห็นนั่นข้มาสู่กาย ก็เหมือนกับชีวิตของเรานี่เองตอนเกิดมาจากท้องแม่ก่อขึ้นมาเป็นกายใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงแปรป่ยนโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นม า, นมาแก่งหงอมแล้วก็ตายไปกําลังของสมาธิที่บ่มอยู่มันเห็นไปอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดจนฮิริโอตาปาเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาอาสวะทั้งหลายก็สิ้นไปเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วสอนคนอื่นไม่ได้กาลังของสมาธิมันบ่มขึ้นมามันก็เห็นเหมือนกันแต่ แต่ถ้าไม่มีผู้รู้มาสอนคือไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็อาจจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกหลายๆชาติค่อยสะสมไปเป็นบา ร, รมีทำไปสะสมไปเรื่อยเรื่ยอร่ันพระพุทธเจ้าบอกิสมาทิงพิกเเวพาเวตาภิกษุทังหลายเธอจงทำสมาธิเธอสมาหิตโตภิกเเวพิขุยถาภูตังปชานาติเพราะ เมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นดีแล้วยะถาภูตังปชานาติจะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงนั่นเห็น ไ, ไหมเพราะมันนั้นมันจึงต้องอาศัยกำลังสมาธินี่คนเราทุกคนเราทำสมาธิตลอดเวลางงไหมถ้าเราไม่ทำสมาธิเราทำอะไรไม่ได้ เ, เราคิดหวยสมมติได้สูตรหวยมานั่งคิดหวย มันอาศัยอะไรรู้ไหมอาศัยสมาธิคิดหวยเล่นเล่นไพ่เล่นการพนันอะ่ะใช้สมาธิไหมสมาธิมันกันไม่มีสมาธิไม่ได้หรอกโอ้โหมันต้องตั้งใจนะต้องตั้งใจดูว่าในมือของเรานี่เป็นสเตทไหมตองไหมข้าวอะไรไหม ถ้ากขตีตัวไหนมาเราจะกินหรือเราจวบทุหาตัวไหนใจที่เป็นสมาธิมันก็วิ่งหาว่าจะเอาตัวไหนมาเล่นดนตรีก็ใช้สมาธิไหมทํางานก็ต้องใช้สมาธิอืทุกอย่างต้องใช้สมาธิหมดแต่สมาธิมันมีอยู่สองสายไงสายที่เป็นค่าเป็นธาตุของอาสวะเราเรียกว่า มิจฉาสมาธิเมื่อใช้ไปมากมากแล้วก็จะพาเข้าไปสู่ทุกข์แล้วจะไปสุดอยู่ตรงนั้นจนอยู่ตรงนั้นแหละจนอยู่ที่ทุกข์นั่นแหละไปไหนไม่ได้นี่มีแล้วมีแล้วโยมอีกสายหนึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ต่างกันตรงนี้แหละทีนี้ เราทุกคนต้องการผลของสัมมาสมาธิเราไม่ต้องการผลของมิจฉาสมาธิแต่เราดำเนินด้วยมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นความปรารถนาของเราเราทำเหตุไม่ตรงกับที่เราปรารถนาแค่นั้นเองเอา้าวสังเกตไหมเราปรารถนาผลของสัมมาสมาธิเราไม่ปรารถนาผลของมิจฉาสมาธิ แต่เราดำเดินตามมิจฉาสมาธิในขณะที่เราปรารถนาผลของสัมมาสมาธิมันเกิดความลักลักล่นสับสนกันตรงนี้ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราทําสมาธิกันทุกวันทุกครั้งทุกการเคลื่อนไหวของเราเราสมาธิเราทำประจาและตัวที่ประกอบกับสมาธิคืออะไรความเพียรกับสติความเพียร ก, ก็คือการเคลื่อนไหวของจิต ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยจิตต้องเคลื่อนไหวไหมต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวมันฟังไม่ได้เออมันต้องเคลื่อนไหวอาการที่จิตมันเคลื่อนไหวนั่นแหละเราเรียกว่าความเพียรนั้นทุกทุกการกระทำทุกกิริยาของของขอ ง, ของชีวิตรวนแต่ต้องมีความเพียรทีนี้ความนึกความระลึกต้องมีไหม ทุกกิริยาทุกการเคลื่อนไหวของชีวิตจะต้องมีความระลึกต้องมีความนึกถ้ามันไม่ระลึกมันไม่นึกมันทำไม่ได้ออาความเพียรมันเลยมีสองอย่างสองสายอีกเหมือนกันสายหนึ่งเรียกว่ามิจฉาวายามะเป็นความเพียรที่อยู่ในอำนาจของอาสวะอืมอาความนึกความระลึกก็มีอยู่สองสายเหมือนกันสายหนึ่งก็เป็นข้าของอาสวะใช่ไหม ระลึกไปตามอํานาจของอาสวะเรียกว่ามิจฉาสติเคลื่อนไหวไปตามอํานาจของอาสวะเรียกว่ามิจฉาวายมะตั้งใจไปตามอํานาจของอาสวะเรียกว่ามิจฉาสมาธิเอาแล้วเราปรารถนาผลของสัมมาวายมะเราปรารถนาผลของสัมมาสติแต่เราดําเดินด้วยมิจฉาวายมะดําเดินด้วยมิจฉาสติ แล้วเราจะได้ผลของสัมมาวายมะได้อย่างไรทำไมเราจึงได้รับผลของมิจฉาสติทำไมเราจึงได้รับผลของมิจฉาวายมะทำไมเราจึงได้รับผลของมิจฉาสมาธิก็เพราะเราดำเดินตามอํานาจของมิจฉาวามะมิชชาสติมิจฉาสมาธิแค่นั้นเองเราทำเหตุอย่างไรเราจึงได้อย่างนั้นไอความปรารถนาของเราทุกคนไม่ว่าใคร ที่ก่อกรรมทำเข็นมาแบบไหนล้วนแต่ไม่มีใครปรารถนาผลของมิจฉาวัยมะผลของมิจฉาสติผลของมิจฉ า, า, าสมาธินั้นพระพุทธเจ้าตัตรู้ตตรู้อะไรใช้ลมหายใจเข้าไปในจิตวางใจเป็นกลางจนมีกำลังสมาธิพอสมควรแล้วสามารถเห็นตามความเป็นจริ ง, เ ป, รงเป็นชั้นชั้นชันชันชั้ น, น, น, นลงไปในที่สุดพระองค์จึงเรียกว่าตตรู้เห็นกาย กายกับใจหรือรูปกับนามชนิดที่เป็นปรมัติรูปนามที่เป็นปรมัติคืออะไรรู้ไหมรูปนาม<อ>แท้จริงที่เป็นประมัติคือทุกขสัต ท, ทุกคืออะไรทุกขสัต <siglo> ทุกขสัตก็คือกายกใจที่เป็นความเป็นจริงความเป็นจริงของกายความเป็นจริงของใจคือทุกพระพุทธเจ้ es, าเห็นความเป็นจริงของกายความเป็นจริงของใจก็นั่นเลยเรียกว่าเห็นทุกขสัต ทุกข์กษัตริย์ที่พระพุทธเจ้าเห็นไม่ใช่ทุกขอย่างที่พวกเราเจอทุกที่พระลูกที่พวกทุกที่พวกท่านทั้งหลายเจอเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์แบบอ ะ, อะไรทุกข์ขี้ปลติว๋ว อ, อกหักรักคุดคล้องหายอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นทุกข์ขี่ปฏติว๋วเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าไม่มองเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าไม่สนใจเพราะอะไรเพราะบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอ ใช่ไหมมันเป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆแต่ของจริงในเรื่องของความทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นอะไรความแก่เป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บทุกข์ที่เกิดจากความตายโดยเฉพาะทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บต้องเจอทุกคนไหมเจอทุกคนไหมเศรษฐีเจ็บไหมยาจกเจ็บไหมริวเออิวเพิ่งมาริวมาแล้วริวมาแล้ว เมื่อเช้ายังไม่ตื่นอ้าวยาจกก็เจ็บสวยเจ็บไหมขี้เรเจ็บไหมทุกคนต้องเจอทุกที่เจอชื่อว่าความเจ็บเมื่อทุกที่ชื่อความเจ็บเข้ามาทุกที่ชื่อความเจ็บป่วยเข้ามาแล้วเนี่ยความหลงไหลในเรื่องของความสวยงามตัดทิ้งความหลงไหลในเรื่องของต่างๆนี่ตัดทิ้งหมดตัดตัด ต, ด ต, ดตดไปหมดเลย จิตมันจะเจอทุกที่ชื่อว่าความเจ็บทุกคนที่เราเรียกกันว่าทุกขเวทนาท่านพระพุทธเจ้าจึงเห็นความทุกขเรียกว่าสภาวะทุกหมายความว่าทุกขเป็นประจําของสังขารเหมือนกันหมดเสบอภาคคือทุกที่เกิดจากความเกิดทุกที่เกิดจากความแก่ทุกที่เกิดจากความเจ็บและทุกขที่เกิดจากความตายโดยเฉพาะ ทุกเบ็ดเล็ดอีกซึ่งไม่นับมันมากมายมหาศาลแต่ท่านรวบรวมไว้ว่าโสกาปาริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตยมปิชังนลปติตัมปีทุกขาความโศกเศร้าความเครียดแค้นความร่ำไรรำพันความวิปรโยคคือความพระดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักความไม่สมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนา ยังปิดช่างนลปฏิตมปีทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ปรารไม่สมไม่ได้ในสิ่งนั้นตามปรารถนาก็เป็นทุกข์ไอ้นี่เรียกว่าทุกข์อาคาันตุกะจอนเข้ามาแต่ตัวหลักๆจริงๆที่จะต้องรู้ในเรื่องของรูปกับนามนี้ก็คือสภาวะทุกข์ทีนี้ความจริงของกายความจริงของใจมันจึงเป็นทุกขสัตว์เหตุผล เหตุผลของกายเหตุผลของใจก็คือสมุทัยนี่คือความรู้ของพระเจ้านะเหตุผลที่มาเป็นกายเหตุผลที่มาเป็นใจนี่ก็คือสมุทัยความดับไปในเหตุของกายของใจนี่เรียกว่านิโรธเส้นทางในการที่จะต้องดำเนินปฏิบัติเพื่อให้เหตุของกายของใจนั้นดับไปนี่เรียกว่ามร เวลาเรามาจะมาศึกษาเราจึงจาเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันมีแบบบางทีเราพระไปนำพายมไปยืนไหว้เทพาอารักถูกไหมถูกว่า ไ, ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะยิ่งทำให้หลงในกายหลงในใจเรียกว่าหลงในทุกขกษัตริย์ เรียกว่าหลงในทุกข์กษัตริย์เราจะต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยขวากไว้กับสติปัญญาของเราที่จะต้องพัฒนาให้มันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเมื่อเช้าได้บอกว่าสิ่งที่มันจะสะบลงไปลงไปลงไปลงไปจากการรู้ลมหายใจเป็นลำดับเป็นลาดับเริ่มต้นวาจาสหบหลังจากนั้นความคิดสะบไอตัวความคิดก็คือตัววิตกวิจารณมันสะบต่อไปอกีก ตัวที่แอบโผล่ขึ้นมาจากการที่ความคิดสงบคือปิติและสุขปิติมีอยู่สองส่วนนะปิติเนี่ยเวลาเราพูดถึงปิติปิติส่วนหนึ่งเราอาจจะเจอกันบ่อยๆแต่ปิติอีกส่วนหนึ่งเราอาจจะไม่เคยเจอหรือเคยเจอนานๆครั้งปิติที่เราเจอกันบ่อยๆก็เรียกว่าปิติอาศัยอามิตรเรียกว่าอามิตรสปิติ เช่นเราเห็นคนคนหนึ่งแล้วเห็นเขาทาดีแบบอัศจรรย์เราเกิดความรู้สึกปิตินเรียกว่ามีอามิ t คือมีสิ่งเข้ามาอาศัยทําให้เกิดให้ใจเกิดปิติขึ้นไอ้นี่เป็นปิตินอกนะอย่างหนึ่งแต่เราก็เห็นกันบ่อยๆเห็นเด็กคนหนึ่งที่มันกระตันญูรู้คุณพ่อแม่นะเห็นแล้วโอ้ยชื่นใจอั น, นั้ปิติไอ้นี่เรียกว่าอามิ t h สปิติปิติมีอามิ t h แต่ปิติอีกอันหนึ่งที่เราอาศัยลมหายใจเข้าไปเมื่อเราอาศัยลมหายใจเข้าไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆเร่อยๆวาจาสงบก็ปไปเรื่อยๆวิตกวิจารวิตกวิจารคือความคิดที่มันเกิดขึ้นจิตไม่หลงไปกับความคิดนั้นแค่เห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยหายไปจิตยังอาศัยแน่ๆอยู่กับลมหายใจรู้นักขณะนั้นจักแข็งแรง ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่ง ท, ที่ถูกรู้นั้นก็จะปรากฏตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนหยาบมันก็รู้ละเอียดมันก็รู้ยาวมันก็รู้สั้นมันก็รู้มันเป็นอย่างไรจิตรู้จะเกาะรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงอย่างนั้นหลังจากนั้นจิตที่รู้นั้นแหละมันจะถอยออกมาจากลมหายใจในจังหวะที่ลมหายใจหยุดแล้วก เ, เอาเอาความหยุดของลมหายใจความนิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตนิ่งรู้อยู่ใ น, นบริเวณนี้ จะรู้อยู่ในบริเวณนี้นิ่งพอลมหายใจมามันก็รู้เข้าไปพอลมหายใจออกมันก็รู้แค่รู้แค่รู้เข้าไปพอลมหายใจมันหยุดมันก็อยู่กับความนิ่งอยู่กับอุเบกขาเปรตลมสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดเป็นปิติขึ้นมาไอปิติตัวนี้ไม่อาศัยอามิดปิติตัวนี้ไม่อาศัยอามิตรเป็นปิติที่เกิดขึ้นจากการที่จิตมันหยุดเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆ จิตมันหยุดเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆแล้วเกิดความเป็นสหบตัวขึ้นมาแล้วรัะทับตัวมันเองขึ้นมาอยู่กับความนิ่งนั้นแล้วก็เกิดเป็นความอิ่มความอินในภายในเราทำอย่างไรกับปิติชนิดนี้ส่วนมากถ้าเกิดปิติขึ้นมาในขณะที่ทรรมาธิจะเป็นยังไงแคสขอเสียงเลยขอเสียงเลยลูกเราทำไงติดใจ <laughs> ชอบเห็นมเราชอบ เราจะชอบเราจะชอบเพราะว่ารบจิตโดยปกติอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความอิ่มใจความเขาเรียกอะไรวะความอิ่มใจความ alert มันยิ่งกว่า alert อ, อีกนะมัน ต, ต, ต้องเรียกว่าอะไรเออเอาวะแช่มชื่นเซย์นาโก <c oughs> เออมันมั น, ม, นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย โอ้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยเจอพอได้มานะมันสายปฏบิบัติบางท่านต้องบอกว่ารักษาไว้เลี้ยงไว้รักษาไวา้เลี้ยงไ ว, กา ว, างว้การรักษาไวา้การเลี้ยงไว้นี่ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุเป็นแดนเกิดใช่ป่ะใครมันจะเข้าใจไหม มันไม่ใช่มันอยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเฉยๆมันเกิดขึ้นจากการที่จิตหยุดจากเกี่ยวข้องการอารมณ์ในอารมณ์ต่างๆแล้วมันนิ่งอยู่กับความนิ่งแล้วมันเกิดเป็นแล้วสภาพธรรมเขาเรียกว่าเอโกทิภาวะมันจะโผล่ผุดขึ้นมาเป็นกําลังตามเหตุตามปัจจัยของมันครบมาแล้วแต่ว่าเรารับรู้สัมผัสได้เราเรียกว่าเราเกิดความรู้สึกได้เราก็แล้วก็ติดอันพระพุทธเจ้าจึงเตือนตรงนี้ว่าอะไรที่เคยบอกไว้พระพุทธเจ้าโดยเตือนว่า ไม่ยินดีในภายในไม่ยินดีในภายนอกแม้นว่ามีปิติเกิดขึ้นมาแล้วจิตจะต้องไม่ไปเกาะยินดีอยู่กับปิติที่เกิดขึ้นถ้าไปเกาะยินดีอยู่กับปิติที่เกิดขึ้นจิตก็หลน่นวุบลงไปลมหายใจมามันก็ไม่รู้แล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วเรียกว่าหล่น ล, ลงร่องของมันไปเวลาลงร่องอย่างนั้น ปิติหายไปไหนหายไปแล้วเพราะมันเป็นสนภาพธรรมที่เกิดและดับไปแต่เราอยู่กับอะไรอยู่กับอะไรอยู่กับสัญญาและอุปาทานออันนี้แหละตัวที่อันตรายที่สุดคนที่พอปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วมักจะมาแนละ้พูดได้เพื่อนความอ้มันเพราะว่ามันมันดีใจแล้วก็เข้าใจผิดไปเลยทีนี้ แล้วแม้แต่อีพีดีตัวนี้มันก็ไม่ได้แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วต่อไปพอฟังดีๆไปจิตก็จะเจออะไรจิตก็จะเจอลมหายใจมันหยุดชัดเจนจริงๆแล้วทนี้เห็นลมหายใจหยุดที่ชัดเจนจริงๆเลยเอในเออ ถามว่าพระอริยเจ้าน่ะท่านอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยตรงนี้ปัตสัทธกายะสังฆารตาเกิดมีความรู้ความเห็นในเรื่องของกายสังขารนะครับบางคำพีเขียนการรู้เห็นลมหายใจหยุดนี่ถ้าเปรียบจิตนะต้องจะตุติฌาน แต่โดยลักษณะทางปริยัติเนื้อของจตุตฌานเป็นอัปปนาสมาธิที่ไม่มีอารมณ์เป็นรูปเป็นอารมณ์หายใจนิยุดดับสนิทเลยแต่เวลาเราปฏิบัติถ้าเราพูดกันถึงเรื่องว่าปตาัตตมชฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานเรามองสับว่าฌานนี่เป็นไงฮะมันสูงส่งเกิดเอื้อมใช่ไหมเออ เพราะฉะนั้นอย่าไปเกิดถึงมันเอาแค่สภาวะที่มันปรากฏเวลาอาตมาพูดให้ฟังทำความเข้าใจไว้เป็นความรู้ถ้าคนที่เคยเจอสภาวะแบบนี้พอฟังความรู้นี้ขึ้นมาอ๋อเราเคยเจอแล้วนี่แบบนี้เรียกว่ามีความรู้ไปรองรับสภาวะที่ปรากฏ แต่ถ้าเรายังไม่เคยเจอเรามีความรู้เข้าใจไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราปฏิบัติไปเจอปับ๊บมีสภาวะมารองรับความรู้ที่ปรากฏสองคำนี้สองประโยคนี้สำคัญนะจำไว้เพราะปริยัติสำคัญการฟังการอ่านสำคัญเพราะว่าอ่านแล้วฟังแล้วเกิดความรู้เข้าใจแล้วมันก็เกิดความรู้ เวลาเราไปปฏิบัติมันก็จะมีสภาวะที่เกิดในการปฏิบัตินั้นมารองรับความรู้ที่เรามีเวลาสภาวะปรากฏปับ๊บความรู้ไปรองรับสภาวะราปรากฏมันก็อ๋อขึ้นมาอ๋อขึ้นมาถ้าศึกษาอ่านฟังเกิดความรู้ความเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่ปฏิบัติความรู้ความเข้าใจอั น, นั้นก็เรียกว่าเป็นสัญญาเป็นสัญญา ความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัญญาไม่สามารถไม่สามารถที่จะทำให้สติเป็นสัมมาสติได้ไม่สามารถที่จะทำสมาธิให้เป็นสมาสมาธิได้ไม่สามารถที่จะทำความเพียรให้เป็นสัมมาวายามะได้ไม่สามารถที่จะทำมรรคให้เกิดขึ้นได้มันอย่าเอาแต่อ่านแต่จำเป็นต้องอ่านอย่าเอาแต่ฟังแต่จำเป็นต้องฟัง อย่าเอาแต่เรียนแต่จำเป็นต้องเรียนเข้าใจไหมมันสองสองประโยคนี่ไอ้จำขึ้นใจไว้เลยคนทำภาวนาหนึ่งมีความรู้รองรับที่สภาวรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏสองมีสภาวะรองรับความรู้ที่ปรากฏมีสภาวะรองรับความรู้ที่ปรากฏก็คือว่าความรู้เราฟังเข้าใจเรียนรู้แล้วแต่เราไม่มีสภาวะรองรับ แล้วเราปฏิบัติมีสภาวะเกิดขึ้นมามันก็ไปรองรับกับความรู้ที่เรามีอันนี้ก็อ๋อขึ้นมาหรือบางทีเราปฏิบัติไปเราเจอเจอสภาวะหลายเรื่องแต่เราไม่มีความรู้เพราะเราไม่มีความรู้ไอ้สภาวะที่มันปรากฏอยู่นั้น่ะเราก็เกิดความสงสัยหรือไม่ก็ถ้าเกิดชอบใจ ก็เกิดลหลงไหลยึดอยู่กับสภาวะนั้นๆแล้วก็มีความเข้าใจเอาเองเรียกว่าเข้าใจผิดไปในทิศทางที่แย่ลงไปเลยแต่ครั้นเรามาได้ความรู้ขึ้นมาใหม่พอเราฟังเข้าใจเกิดความรู้จริงๆขึ้นมาเราก็ไปรองรับกับสภาวะที่เราเคยเกิดขึ้นมันก็อ๋อขึ้นมาอีกทีหนึ่งไอ้ น, นี่แหละเรียกว่าปฏิสังวิ ธ, ธา ก็คือความรู้ที่ประจักษ์แจ้งคือว่ามันจูนกันระหว่างความรู้กับสภาวะที่ปรากฏเหมือนเด็กที่เล่นไฟชอบไฟชอบตะเกียงพ่อแม่ก็สอนยยา่ยาๆนะมันร้อนมันโดนแล้วมันพองมันเจ็บมันแสบมันร้อนเด็กรู้ไหมรู้เข้าใจไหมเข้าใจแต่มันมีสภาวะว่าเจ็บว่าปวดว่าแสบว่าร้อนปรากฏยางยาง อันนี้พอพ่อแม่เผลอมันก็คว้ามั่กเข้ากับตะเกียงควยมันก็ไหม้มันใช่ไหมพอควยไหม้มันปั๊บโอ้ยมันเจ็บมันแสบมันปวดมันรน้อนอ๋อย่างทีนี้อ๋อแล้วอ๋อพออ๋อเสร็จตะหลังตะเกียงตั้งอยู่มันจะไปจับไหมไม่จับแล้วอันนี้เรียกว่ารู้จริงเพราะฉะนั้นสองประโยคจะต้องจําไว้คนทำภาวนามีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏ หรือมีสภาวะรองรับความรู้ที่มีต้องจาไว้เราต้องเรียนแต่อย่าเรียนอย่างเดียวเราต้องฟังอย่าฟังอย่างเดียวเราต้องปฏิบัติแต่อย่าปฏิบัติอย่างเดียวนะต้องอ่านต้องเรียนต้องสุกอสาด้วยต้องฟังด้วยนั้นสาคัญเอาเมื่อเช้าเราได้เจริญสติโดยอาณาปานสติไปได้ประมาณร่วมๆสี่สิบนาทีได้ไหมได้แหละเมื่อเช้าอือ แต่ว่าตอนนี้บ่ายเราก็จะเรียนรู้ชีวิตในอิริยาบถด้วยการเดินที่ว่าเดินเพื่อเรียนรู้ชีวิตเดินเพื่อจะเริญนสติในการเดินซึ่งศัพท์ทางการปฏิบัติเขาเรียกว่าเดินจงกรมพะเราได้ยินว่าเดินจงกร ม, มเป็นไงรู้สึกว่ามันเป็นศัพท์ที่มันหมกอยู่ในกำแพงวัดแต่ตอนนี้เรามาอยู่ในกำแพงวัดแล้วนะเราก็จะได้เดินจงกรมนี่แหแต่ในความเป็นจริง เรื่องของการเดินนี้มันเป็นการฝึกจิตอีกวิธีหนึ่งที่จะให้สัมมาสติสัมมาสมาธิจะเริญนขึ้นก็อย่างที่บอกสติสมาธิและความเพียรเราทำอยู่ตลอดเวลาแต่เราอยู่ในอำนาจของอาสวะอำนาจของอวิชชา สติสมาธิและความเพียรของเรามันจึงเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติและเป็นมิจฉาวายมะแต่เราปรารถนาผลของสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวยามะหรือการเดินจงกรมหรือการเดินเจริญสตินั้นเป็นการฝึกให้สติสมาธิและความเพียรของเราดำเดินไปตามกำลังของสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาวายมะ ถ้าเขาแข็งแรงขึ้นมาจากการรู้การเดินจงกรมของเราสติที่ตั้งขึ้นจากการเดินก็จะเป็นสัมมาสติสมาธิก็จะเป็นสัมมาสมาธิความเพียรที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสัมมาวายมะความเพียรที่จะเป็นสัมมาวายมะได้นั้นเขาจะมีลักษณะสประการประการที่หนึ่งเขาจะป้องกันอกุศลที่ไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น อะไรที่เป็นเหตุของอกุศลเนี่ยอกุศลอันใดที่มันเคยเกิดเคยเกิดพอมันทําท่าจะเกิดเขาจะไม่ให้เกิดนี่ลักษณะของความเพียรที่เป็นสัมมาวายมะนะอะไรที่เป็นอกุศลซึ่งมันตั้งอยู่ที่มันเกิดแล้วลักษณะของความเพียรที่เป็นสัมมาวายมะนั้นมันจะกําจัดอกุศลที่เกิดขึ้นอยู่นี่สองประการแรกสองประการที่สุดสุดท้ายก็คือว่ากุศลละธรรม หรือความดีอันใดที่ยังไม่เกิดตัวสัมมาวายมะเนี่ยมันจะมันจะให้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนาประทานและกุศลหรือคุณงามความดีอะไรสวภาพธรรมที่เป็นกุศลอันใดที่มันเกิดอยู่ตัวสัมมาวายมะจะคอยตามรักษากุศลอันนั้นให้คงอยู่ให้มันจเจริญยิ่งขึ้นเรียกว่าอนุรักษณาประทานอันนี้เป็นลักษณะ ลักษณะของสัมมาวายมะพอสัมมาสติลักษณะของสัมมาสติจะเป็นอย่างไรลักษณะลักษณะของสัมมาสตินั้นจะคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจแล้วอะไรเมื่อจิตหรือสติมันหลุดเขาหลุดออกไป เขาจะไม่ทำอะไรเขาจะกลับมารู้อยู่ที่กายแล้วเขาจะจ้องรู้กายรู้ใจนั้นเหมือนกับแมวคอยจ้องจับหนูแมวจ้องจับหนูเห็นไหมเวลาแมวมันจะจับหนูไหมมันจะจ้องแบบไหนหาวันทาแมวจ้องจับหนูจ้องแบบไหนไม่กระพริบตาและไม่ละสายตาเลยหนูขยับนิ่งจ้องนิ่งจ้องนิ่งจ้องนิ่งจ้องนิ่งจองไม่ละไม่ละเลย นั้นความระลึกความอย่างระลึกของสติที่ตรงเข้าไปสู่กายไม่ว่าจะเป็นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของเทา้าเขาจ้องอย่างนั้นระลึกอย่างแน่วแน่อย่างนั้นถ้าระลึกแน่วแน่เหมือนที่แมวจ้องหนูเนี่ยลองคิดดูจิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เล่นเล่นไม่ได้ ต้องจริงจังกับเขาและก็ง่ายๆนะในบริบทมันไม่มีอะไรที่ว่าแบบซับซ้อนยุ่งยากในการรู้การเคลื่อนไหวของเท้าในการเดินในลักษณะของการเดินสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเรื่องแรกเลยคือยืนเราทำยังไงรู้การยืนไอ้รู้ที่ว่านี่ทุกคนรู้หมดอะรู้ก็คือตัวรู้ที่ สามารถรู้สิ่งต่างๆได้นั่นแหละแต่เราไม่ไปรู้อะไรอื่นตอนนี้เรามารู้กายเพื่อการที่จะเดินอันดับแรกรู้การยืนก็คือพอยืนปั๊บน้ำหนักของกายของเรามันตั้งเป็นแ่งแล้วน้ำหนักทั้งหมดกดลงไปที่ฝ่าเท้าสองข้างอั น, นี่ก็เรียกว่าถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ได้ทั้งหมดเรียกว่ารู้การยืนถ้ามันยังรู้ไม่ชัดเราก็ขยับเท้า ขยับขวาเท้าซ้ายขวาเท้าขวาให้มันรู้สึกได้ที่มันรู้สึกได้นั่นแหละก็เรียกว่ารู้รู้รู้การยืนหลังจากนั้นก็ทำการศึกษาศึกษาในเรื่องราวของการยืนว่าในเรื่องของการเดินว่าจากยืนแล้วเนี่ยเราก็ศึกษาไปว่ามันมีอะไรที่เป็นลำดับขั้นในการปฏิบัติการการเดินเกิดขึ้นในการเดินสังเกตเวลาเราเดิน ก็ถ้าใครถนัดซ้ายก็ก้าวเท้าซ้ายใช่ไหมอย่างก้าวเท้าซ้ายเสร็จก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไอ้นี่ศึกษาลงไปเอาก้าวเท้าซ้ายศึกษาลงไปอีกเราก็จะเห็นว่าตัวที่เคลื่อนไหวสิ่งแรกเลยคือส้นเท้าส้นเท้าขยับขยับเสร็จขยับมากหรือขยับน้อยไม่รู้แต่มันจะขยับขึ้นมาส้นเท้าขยับเสร็จแล้วก็ เท้าก็แกว่งไปย่างแล้วก็เหยียบเวลาลักษณะของการเหยียบบางคนไม่เหมือนกันบางคนปลายเท้าลงก่อนบางคนส้นเท้าลงก่อนบางคนฝ่าเท้าลงพร้อมๆกับส้นเท้า <c oughs> ก็ศึกษามันไปพอหลังจากนั้นเท้าฝ่าจากก้าวมาเนี่ยอะไรยกก่อนส้นก็ยกขึ้นก่อนอันนี้คือทําการศึกษาลงไปเมื่อศึกษาลงไปอย่างนี้ ก็เห็นเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็มาจัดระเบียบในการเดินของเราเพื่อให้จิตมันได้มีการฝึกในเรื่องของการเดินอย่างมีท่วงท่าที่ถูกต้องนันเราโดยใช้ลักษณะพอรู้การยืนเสร็จแล้วก็ตั้งใจรู้การเคลื่อนไหวของเท้าด้วยการยกย่างแล้วก็เหยียบใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อน เมื่อใดที่เราเหยียบแล้วส้นเท้าฝามันยกขึ้นโดยที่เราไม่รู้สแสดงว่ามันยกด้วยอํานาจของอะไรมันยกด้วยอํานาจของความปราศจากสตินี่เรียกไอ้เพราะเพราะถ้าเรียกให้มันหยามหยามก็เรียกยกด้วยอํานาจของความหลงตามสัญชาตญาณพอเราย่างซ้ายไปเต็มเท้าเสร็จเรายังไม่ทันได้รู้เรื่องเลยท้นขวามันขยับแล้วไม่ใช่ขยบับเปล่านะ มันก้าวตามมาแล้วด้วยเรายัางไม่ทันรู้อะไรเลยใครไหมนั้นเราใจเย็นๆเพราะเรากำลังฝึกเราไม่ได้เดินไปซื้อของในตลาดนี่เราเดินเพื่อการฝึกโดยตรงเพราะนั้นเรายกส้นขึ้นเรารู้สึกกับส้นที่ยกย่างไปเรารู้สึกกับส้นที่ย่างเหยียบลงไปรู้สึกกับเท้าที่เหยียบลงแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนว่า เนี่ยถ้าหนูเดินแล้วหนูรู้ทั้งกายอย่างนี้นะหนูชอบมากเลยอย่าใจร้อนอย่าทำสโคบของการรู้เนี่ยให้มันกว้างจนตัวเองเอาไม่อยู่แล้วในที่สุดตัวเองก็ไปหลงยึดอยู่กับส ภ, ภาพของการเป็นแบบนั้นในที่สุดมันก็เป็นสัมาสติไม่ได้มันเกิดความความคมมันไม่พอเอางี้แหละยกรู้สึกการยก ส้นเท้ายกขึ้นรู้ย่างไปรู้เหยียบไปรู้แล้วไม่ต้องเกรงนะถ้าเราก้าวยาวเรารู้สึกว่ามันต้องเกรงท่วงท่ามันแบบไม่ค่อยได้หลักก็ก้กาวให้มันสั้นก่อนก้าวให้มันสั้นก่อนให้สังเกตตัวรู้ว่าตัวรู้สามารถที่จะรู้ในกิริยาที่ส้นมันยกขึ้นเท้า ม, า, ามันย่างไปและเท้ามันเหยียบลงถ้าตัวรู้สามารถรู้ในกิริยานี้ได้แล้วเนี่ย แล้วก็มารู้ในส้นตอบ้นข้างฟ้างฝาต่อไปในในลักษณะเดียวกันเดินอย่างนี้ใจเย็นๆไปได้สัก30นาทีเราจะสังเกตได้เลยว่ารู้ของเราจะแข็งแรงรู้แข็งแรงสังเกตจากอะไรรู้แข็งแรงก็สังเกตจากการที่เขารู้โดยที่ไม่ต้องไปกาหนดคือแรกๆเนี่ยแรกๆรู้ยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันเราจะต้องกาหนดบังคับ เพื่อให้ท่าทีการเดินนั้นเป็นไปตามที่เราจะให้เรารู้ทันก็อาจจะยกย่างไปแต่เมื่อรู้แข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะสามารถที่จะดูแลกิริยาคือยกย่างและเหยียบนั้นได้ทันท่วงทีแล้วมันก็จะเกิดความราบเรียบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและเมื่อรู้นิโตขึ้นมาเรื่อยๆอีกทีนี้เขาสามารถที่จะรวดเร็วในการรู้ยกย่างเหยียบ เป็นกิริยาธรรมชาติเหมือนที่เราเดินตามอำนาจของกิเลสในชีวิตประจำวันปุ๊บๆๆๆๆแต่รู้นี้สามารถเกาะในการย่างในลักษณะการเดินแบบนั้นได้ทันท่วงทีแต่ถ้าเราใจเย็นๆค่อยๆให้มันเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในส0สิบนาทีแรกอดทนหน่อยมีปัญหาอย่างเดียวคือเดินแล้วมันเกรง็งสาเหตุที่เกร็งเพราะว่ามันตั้งใจมากเกินไป กับก้าวเท้ายาวเกินไปแล้วก็เกรงมือในเรกๆในเรกๆที่จะเดินแบบนี้ได้จะต้องเก็บมือเก็บมือเสียก่อนเพราะว่ามือถ้าปล่อยไว้เนี่ยแต่จิตมันไปจงใจที่จะไปดูที่เทา้าใช่ไหมแล้วทีนี้มือที่ปล่อยไว้เนี่ยมันก็แก่งกลายเป็นภาระของจิตรู้ที่จะต้องไปใส่ใจมันเราก็เก็บมันเสียเก็บมันข้างหน้าก็ได้เก็บมันข้างหลังก็ได้ อันที่เป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดในเรื่องของการเจริญสติด้วยการเดินทีนี้ถามป่ามันจะต้องบริกรรมท่องอะไรไหมเอาจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องท่องเพราะอะไรเพราะไม่ว่าเราจะท่องอะไรเมื่อตัวรู้เริ่มแข็งแรงมันจะปล่อยสิ่งที่เราท่องนั้นหมดลองคิดตามไปเรื่อยเวลาเวลาตัวรู้แข็งแรง ถ้าใครเคยโดนท่องท่องคำบริกรรมและถ้าท่องคำบริกรรมคาบริกรรมชัดเจนยิ่งขึ้นนั้นหมายความว่าตัวรู้หายมันต่างกันตรงนี้แหละรู้กับกำหนดแรกแกเรากำหนดรู้กำหนดเบาเบารู้ให้แรงไว้พอเดินไปเดินไปกำหนดมันก็จะหายมันก็จะเหลือรู้ แต่ให้ได้สามสิบนาทีก่อนพอได้สามสิบนาทีและอีกอย่างนึงนะ <c oughs> ต่อไปพอรู้มันแข็งแรงมือเนี่ยที่มันจับอยู่เนี่ยมันก็จะปล่อยได้ปล่อยได้โดยเดินแบบเหมือนที่เราเดินอยู่ที่บ้านทำตามธรร ม, มาชาติเลยและมันก็จะรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปที่สำคัญรู้ตัวนั้น มันคือรู้ลักษณะเดียวกันกับรู้ลมหายใจมันจะเอื้อต่อกันและเมื่อเราเดินอย่างนั้นได้แล้วเราสามารถที่จะกลับมานั่งสมาธิและเอารู้ตัวนั้นแหละเข้าไปรู้ลมหายใจต่อไปเรื่อยๆได้อีก ถ้าเรานั่งและเดินตามลักษณะอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนจิตมันทะลุเข้าสู่ฉันทะที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าเนยๆนะมันจะกระจอกไปเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ง่วงแม้ง่วงมันก็รู้มันเห็นความง่วงที่เกิดเหมือนกับกิริยาของส้นเท้าที่ยกขึ้น มันเห็นความง่วงที่เกิดเหมือนกบโลมหายใจออกที่กำลังเคลื่อนออกมาเพราะรู้นั้นมันมีกำลังที่สูงมากจนกระทั่งเข้าสู่ฉันทะฉันทะคืออะไรฉันทะก็คืออาการที่จิตเขาน้อมเข้าไปสู่การรู้ลมหายใจอาการที่จิตเขาน้อมเข้าไปสู่การเคลื่อนไหวของเท้าอย่างเต็มกำลัง ถ้าก้นโน้มเข้าไปสู่การเคลื่อนไหวของเท้าอย่างเต็มกำลังอย่างนั้นง่วงอะไรล่ะที่มันจะตั้งอยู่ได้เคยสังเกตไหมเวลาเราเดรินจงกรมอ่ะคนที่เคยปฏิบัติเคยสังเกตว่าเราเดินจงกรมสองชั่วโมงเอ๊ะทไมมันแป๊บเดียวเพราะมันมีฉันทะปรากฏนั่งสมาธิบางทีนั่งสิบนาทีโอ้ยเหนื่อยเมื่อยแย่บางทีนั่งชั่วโมงหนึงงน่งเอา้าแป๊บเดียว สาเหตุที่มันต่างกันด้วยกำลังของฉันทะฉันทะจะเกิดขึ้นได้ไม่สามารถคิดคิดคิดแล้วให้มันเกิดขึ้นได้ฉันทะจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องปฏิบัติต่อเนื่องจนกระทั่งมันทะลุเข้าสู่ฉันทะจิตก็จะน้อมเข้าไปสู่การเคลื่อนถูเท้าสู่ลมหายใจสู่อารมณ์ของกรรมฐานที่เรากำลังภาวนา เพราะฉะนั้นตัวฉันทะนี่สำคัญอีกตัวหนึ่งมากต่อจากนี้ก็ขอพวกเราเดินนะใครที่ยังเดินไม่เป็นแต่น่านจะเป็นกันหมดแล้วให้พวกเราได้ลิ้มลองเกตพุทธวาสวัตุปรามข้างในนี้พื้นที่นี้เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกครั้งที่เรายกจิตเข้าไปรู้การเคลื่อนไหวของเท้านะจะมีเทวานั่งสาธุสาธุอยู่ตามยอดช่อคว้าใบารากาต่างๆ <c oughs> คู่ๆแต่จริงน ะ, <c oughs> ะชนเชยยริญยมกราบพระแล้วก็ลุกได้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าใจเย็นๆย็นสินาทีแรก หลังจากนั้นก็เดินต่อไปทําเวลาถ้าเรารู้ตรงต่อกิริยาของเท้าเวลาเราจะเป็นศูนถ้าเมาื่อใดที่เรารู้สึกว่ามันนานไว้ยมันนานนะเนี่ยจะหยุดเมื่อไหร่นะตอนนั้นแสดงว่าใจเราหลุดออกจากการเคลื่อนไหวของเท้าไม่เป็นปัจจุบันเพราะมันเป็นโนมาอนาคตมาเป็นอารมณ์อืมอ่ะ